ช่วงนี้ลองวีคเอนคนอยู่ต่างจังหวัดเยอะที่วัดก็คนเยอะต่างจังหวัดคนไปเที่ยวเมื่อวานหลวงพ่อยังคุยอวดโยมที่ไปที่วัดบอกหลวงพ่อเห็นคนที่ศึกษาธรรมะมีอยู่สองที่คือ ท, ที่ที่วัดอันนึงกับที่ซาราลูชินนี่งั้นที่เราเรียนกันต่อเนื่องเราไม่ได้เรียนฉับเฉวย ธรรมะไม่ใช่ของฉับเฉวยธรรมะเป็นเรื่องจริงจังนะต้องศึกษาต้องลงมือปฏิบัติธรรมะให้ประโยชน์ธรรมะให้ความสุขบางทีสมัยพุทธกาลนะพระพุทธเจ้าจะส่งพระออกไปเผยแพร่ธรรมะไปประกาศธรรมะท่านะบอกให้พระทั้งหลายนะจาริกไปไปประกาศธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในถ้ำกลางงามในที่สุดนะ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจานวนมากอันนี้เป็นการบอกอยู่ในตัวเองว่าธรรมะนั้นงดงามธรรมะนั้นให้ประโยชน์ธรรมะนั้นให้ความสุขถ้าหากเราเข้าถึงธรรมะนะเราก็งามเราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขคนมีธรรมะงามงามจริงๆนะเนีย่ยคนมีศีลก็างามนะ งามกว่าคนทุศีลคนมีสมาธิจิตใจมีความสุขมีความสงบยิ้มแย้มแจ่ ม, มใสแช่มชื่นเบิกบานงดงามงามกว่าพวกหน้าดี่วคิ้วขมวดกิเลสหนาใครเคยส่องกระจกหรือเคยเห็นเวลาโกรธหนะเวลาโกรธงามไหมดูไม่ได้เหมือนยากเหมือนมารนะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวมารเขาว่ามารเขาเป็นเทวดาวเป็นกัน เอาเหมือนยักษ์ก็แล้วกันเวลาโกรธเวลาคนมีราคะแรงๆเคยเห็นไหมหน้าตางามไหมหน้าตาเยิ้มเยิมเยิ้มด้วยกิเลสไม่งามคนหลงงามไหมคนหลงสาวสวยเป็นนางสาวไทยสมมติงามงามนะเวลาหลงขึ้นมาจะเดินแคะฝันเล่นมันงามตรงไหนมันไม่งาม มีศีลนะมีสมาธิขึ้นมาก็างดงามยิ่งมีปัญญายิ่งงามมากสังเกตดูอย่างครูบาอาจารย์ท่านแก่ท่านเฒ่าคนแก่ส่วนมากเราจะดูว่าไม่สวยไม่งามใช่ไหมเคยเห็นครูบาอาจารย์ที่แก่แก่ไหอย่างเมื่อก่อนที่นี่มีหลวงปู่เหรียนนี่ตอนนี้ท่านสิ้นไปแล้วหลวงปู่เหรียนเดน้ครูบาอาจารย์องค์ไหนไม่ทราบไม่รู้ไม่ไม่ได้มานานหลวงปู่เหรียนท่านแก่แก่ ทานเก้าสิบกว่าท่านงามนะงดงามเห็นแล้วก็ชื่นใจพวกเราเคยเห็นคนบางคนแล้วเราชื่นใจไหมเห็นคนบางคนแนละ้วคลื่นไส่รู้สึกไหม <c oughs> งั้นธรรมะนะทำให้งามนะใครอยากสวยอยากงามก็มีธรรมะไว้ในใจนะี่บางคนหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือให้สัมภาษณนะ์เป็นหนังสือเกี่ยวกับความงามนะ เขาสัมภาษณนะ์ผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาฟังซีดีหลวงพ่อประโมทฟังซีดีหลวงพ่ อ, อยัางงามเลยนะต้องฟังนะซีดีเอาไว้ฟังไม่เอาตีซีดีมาถูหน้าเลยคงไม่งามอ่นะนัทธธรรม ม, ามันทําให้จิตใจเราดีจิตใจปลอดโปร่งเบาจิตใจสบายจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลคนที่จิตใจปลอดโปร่งร่อเบาเป็นบุญเป็นกุศลนะงามโดยไม่ต้องเสแส้ง แก่เท่าอย่างไรก็งามโดยไม่ต้องเสแสร้งนะเพราะมันงามมาจากข้างในข้างนอกมันก็งามทีหลังนะอย่างครูบาอาจารย์แก่เท่าก็ดูงามนะตายไปไเผาลงไปนะกระดูกยัางงามเลยนะพวกเรากระดูกใครเคยเห็นกระดูกของคนทั่วๆไปไหมเวลาเผาออกมาเหมือนกระดูกเป็ดกระดูกไก่ด้านๆขุ่นๆเนานะสีก็ดํากระด่ะดาง ครูบาอาจารย์เขามาสวยกระดูกนี่งามเข้าไปถึงกระดูกนะีนะง้นเราอยากสวยอยากงามนะเราก็มีธรรมะไว้ธรรมะนอกจากให้สวยให้งามเนะี่ยธรรมะยังให้ประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอนาคตประโยชน์อย่างยิ่งคือพันธุ์นิพพานนี่ธรรมะให้ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ประโยชน์ในปัจจุบันนะีคนมีศีลคนมีธรรมใช่ไหมไม่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยอนะไไม่ยากจนหรอก รายได้ไม่มากแต่ไม่จนบางคนไม่มีศีลมีธรรมรายได้เยอะแต่จนเพราะไม่รู้จักพอหิวตลอดเวลาหิวตลอดเวลาก็เป็นภูมิของเปรตนี่พวกเราถ้าเรามีธรรมะนะเรามีความสุขรู้จักพอดีพอดีมีชีวิตที่พอดีพดีได้รับประโยชน์ธรรมะสอนตั้งแต่เบื้องต้นนะสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยสอนให้เรา เป็นคนดีให้เราเลือกคบคนดีดำรงชีวิตอย่างดีๆพอเรารู้จักเลือกคบ ค, บคนดีนะดำรงชีวิตดีๆชีวิตมันมีความสุขนะได้ประโยชน์ได้ความสุขในปัจจุบันอย่างพวกเราที่หัดภาวนานะหัดเจริญสติพวกเรารู้สึกไหมพอสติเกิดเรามีความสุขในปัจจุบันนะใครรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปบ้างหมที่หัดมาช่วงหนึ่ง รู้สึกไม่ชีวิตมันโปง่งมันโล่งมันเบาไม่มีความสุขนะเราได้รับประโยชน์เราได้รับความสุขอยู่ในปัจจุบันแล้วนี่ถ้าเราหัดต่อไปต่อไปนะประโยชน์ข้างหน้าถ้าปัจจุบันเราดีนะอนาคตไม่ต้องห่วงหรอกอนาคตมันก็เป็นมาจากปัจจุบันนั่นเองปัจจุบันเราตั้งหลักเอาไว้ดีวางตนไว้ถูกต้องวางจิตวางใจไว้ดีฝึกจิตฝึกใจไปเรือยอนาคตมันก็ดี ถ้ามันดีเต็มที่นะมันจะเลยดีขึ้นไปอันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยก็เป็นความสุขอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยจะนําความสุขมาให้นะงั้นถ้าเราภาวนาจนเราเห็นความจริงของาธาตุของขันธ์ของกายของใจได้จิตปล่อยวางความยึดถือในรูปนามในกายในใจได้จะได้รับประโยชน์อันยิ่งเราจะเห็นพรนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกอุดมคตินิพพานไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าสร้างขึ้นมา เพื่อเป็นกําลังใจไม่มีจริงไม่ใชนะ่พระพุทธเจ้าแจ่มแจ้งในพระนิพพานแนละ้วเห็นรับวว่านิพพานเป็นยังไงนิพพานนั้นเป็นสันติเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่สงบอย่างโลกโลกนะอย่างไฟไหม้แล้วไฟดับมากว่าไฟสงบนะี่ยพวกแขกบางทีเรียกไฟไหม้แล้วไฟดับเพราะว่าไฟนิพพานเหมือนกันนะนั่นไม่พอนั้นมันตื้นไป มันสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากขันสงบจากทุกข์จิตมันพลากออกไปจากขันจิตมันพ้นจากความปรุงแต่งจิตพ้นจากกิเลสไม่มีกิเลสมาย้อมจิตเมื่อกิเลสไม่ยอมจิตนะก็ไม่มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นความปรุงแต่งของจิตเกิดจากกิเลสนั่นแหละถ้าไม่มีกิเลสจิตก็ไม่หลงไปในความปรุงแต่ง ก็มัเหลือแต่ธาตุขันทํางานไปนะจิตอยู่ต่างหากจิตพลากออกจากธาตุจากขันไม่เข้าไปยึดถือในธาตุในขันถ้าภาวนาจนจิตแยกออกจากขันได้เราจะพบว่ามีความสุขมากนะพระละหันนั้นท่านแยกจิตนั้นพลากจากขันอย่างถาวรพวกเรายังทําไม่ได้ขนาดนั้นนะพวกเราทําได้เป็นคราวๆใครเคยภาวนาแล้วจิตกับขันแยกออกจากกันได้บ้างมีไหมนะอย่างกายกับจิตนั้นแยกออกจากกันนะ กายกับจิตแยกออกจากกันรู้สึกไหมความทุกข์น้อยลงใครแยกเวทนากับจิตออกจากกันได้ความสุขความทุกข์กับจิตมันแยกออกจากกันก็แยกออกจากกันได้ความทุกข์มันน้อยลงเห็นไหมใครเห็นว่ากิเลสกับจิตเป็นคนละอันอันเดียวกันหรือคนละอันนะถ้าหัดดูหัดภาวนาไปก็จะเห็นว่ากิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตคนละอันกันก็กิเลสกับจิตมันแยกออกจากกันนะ จิตมีความสุขมีความสงบอย่างมหาศาลเลยนะนี่ขนาดไม่ถึงพระนิพพานนะแค่แยกธาตุแยกขันไดนี่ธรรมะในเบื้องต้นเท่านั้นเองแยกเป็นครั้งเป็นคราวแลนะจิตพลากออกจากขันเป็นครั้งเป็นคราวยังได้รับความสุขมากมายเวลานี้ที่พวกเราเรียนจากหลวงพ่อนะพวกเราสามารถแยกธาตุแยกขันได้ น, ะนับจํานวนไม่ท้วนเลยนะ่าจะรู้สึกขึ้นมาในใจนะมีความรู้สึกตัวขึ้นมา เราจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ห่างๆออกไปนะใครเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายห่างๆลองยกมือให้ดูมีไหมนะพวกนี้พวกเหนีม่มเหนี่มนไม่ค่อยยอมยก <c oughs> กจริงแยกได้เยอะแยะกเยอะแยะเลยนะจะเห็นวนะ่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตคนละอันกันนะความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายนะก็เป็นคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกับจิตความสุขความทุกข์ความเฉยๆนะ ที่เกิดขึ้นในจิตก็เป็นคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกันจิตกุศนะลากุศลที่เกิดขึ้นเช่นความโลภความโกรธความหลงศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานะสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่จิตอีกมันะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคลาลจิตไปรู้เข้าเป็นคลาวลเกิดแล้วก็ดับไปนี่ถ้าเราหัดนะมากเข้ามากเข้ามันจะแยกมันแยกออกมา พอมันแยกออกมานะความทุกข์มันจะหายไปเยอะเลยนี่แยกได้ชั่วคราวนะแยกด้วยชั่วคราวเพราะมีสติเพราะมีจิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือมีสมาธิขึ้นมาแค่มีสติกับสมาธิขึ้นมาขันยังเริ่มแยกตัวพอขันมันเริ่มแยกตัวแล้วเราก็เจริญสติรู้ขันมันต่อไปเห็นรูปมันเคลื่อนไหวเห็นนามธรรมทั้งหลายเห็นความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยพอมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆๆ ถึงจุดหนึ่งปัญญามันปิ้งขึ้นมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดับทั้งสิ้นเลยไม่มีตัวมีตนสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ของไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ทนอยู่ไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่บังคับควบคุมไม่ได้จริงร่างกายก็ไม่เที่ยงร่างกายก็เป็นทุกข์ร่างกายก็เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเองก็ไม่เที่ยง เดี๋ยวก็จิตเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็จิตเป็นมีความสุขเดี๋ยวก็จิตมีความทุกข์เดี๋ยวจิตก็เกิดที่ตาเดี๋ยวจิตก็เกิดที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจจิตเองก็ไม่เที่ยงนะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันเนี่ยหัดรู้หัดดูเนืองเนืองะรู้ลงในคาดในขันของเราเนืองเนืองพอเรารู้ความจริงพอเห็นความจริงนะจิตมันจะแยกตัวออก เมื่อวานก็มีเมื่อวานหรือวันศุ่มมีผู้หญิงคนหนึ่งไปที่วัดแกได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องแยกธาตุแยกขันบ่อยๆแต่ก็เลยเล่าบ้างยกมือส่งกันบ้างบอกว่าดิฉันขึ้นต้นจำปีใครรู้จักต้นจำปีบ้างส่วนใหญ่รู้จักแต่ดอกจำปีคนกรุงเทพไม่ค่อยมีที่ดินเนปลูกต้นไม้นี่บ้านเขามีต้นจำปีเขาปีนขึ้นไปเก็บดอกจำปีแล้วก็ตกลงมา เขาเห็นร่างกายตกลงไปอยู่ข้างล่างนะจิตยังอยู่บนต้นไม้ไม่ได้แยกอย่างนี้นะแยกอย่างนี้เดี๋ยวเลยแยกขาดจากกันไปเลยนะตกลงไปตัวนั้นคอหักไปแนละ้วตัวนี้เลยเป็นลุกคเทวดาอยู่วันนี้ลงมาไม่ได้เลยนะแยกขันไม่ได้แยกอย่างนั้นหรอกนะแยกด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองรู้สึกจะเห็นว่าร่างกายกับจิตโกลานกันนะมันไม่ห่างขนาดอยู่บนยอดไม้ก็อยู่โคนต้นไม้หรอก ไม่ต้องห่างไกลขนาดนั้นบางคนเลยแยกภาวนานะจิตแยกออกจากกายแล้วเดินออกไปไกลเลยนะเห็นร่างกายนอนอยู่จิตเดินออกไปอยู่ห่างๆจิตออกจากห้องไปเปิดประตูห้องออกไปเดินออกไปนอกบ้านร่างกายก็ยังนอนอยู่บนเตียงอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่นะเราไม่ได้ฝึกอย่างนั้นนะนั่นมันถอดจิตแล้วถอดจิตไปเที่ยวอยากเรียนไหมวิชาถอดจิตไปเที่ยว ไม่ยากหรอกแต่ถอดแล้วกลับมายากเที่ยวเตลิดเปิดเปลองไปเรื่อยหลวงพ่อตอนเด็กอินโ o เซนต์ไม่รู้เรื่องไปหัดเข้านะไม่ทันระวังไม่รู้เรื่องนี่หัดหายใจหายใจแล้วจิตมันสว่างขึ้นมาความสว่างนะมันคล้ายๆสปอตไลท์นะฉายไปที่ไหนมันก็ไปถึงโน่นอ่ะไม่ดีเลยเป็นนิมิตอ่ะเป็นนิมิตไม่ดีเลย เที่ยวไปเที่ยวไปก็กลัวผีนะเกิดเจอผีจะทำยังไงเราเป็นคนกลัวผีถ้าหลังไม่กล้าไม่กล้าตามแสงสว่างออกข้างนอกไปพยายามรู้สึกตัวพยายามรู้สึกตัวแต่ว่าเดินปัญญาไม่เป็นทำได้แค่รู้สึกตัวงั้นพอรู้สึกตัวเป็นนะจิตจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ว่าเดินปัญญานะต้องมาฝึกเดินปัญญาคือมหาหัดแยกธาตุแยกขันธ์ทีหลังนี่หงลวงปู ด, ดลัณามาสอนหลวงพ่อ ให้ดูจิตตัวเองมหัดดูหัดดูเราเห็นเลยจิตกับกิเลสมนคละอันกันนี่ก็หัดแยกขันแล้วเพราะจิตนั้นเป็นวิญญาณขันกิเลสเป็นสังขารอันคละขันกันละหรือบางทีเห็นว่ามันมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนี่ก็แยกขันแล้จิตเป็นคนไปรู้ความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขันแยกกันต้องหัดแยกแต่ไม่ใช่แยกแบบถอดแล้วไปเที่ยวร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะอันนั้นไม่ดีนะั่ส่งจิตออกนอก เวลาที่จิตกับขันแยกออกจากกันมันแยกนิดนดหน่อยหหรอกไม่ได้แยกห่างๆนะแล้วบางทีแยกแล้วบางทีก็กลับมารวมกันอีกนะพอสมาธิเราไม่พอมันก็กลับมารวมกันพอจิตใจเราสงบตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบา น, นมันก็แยกอีกนะอก็ปลุกปลุกโปโผล่อยู่งั้นนะเข้าเข้าออกออกอยู่งั้นนะออออ น, นะนี่ในขั้นปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอมันภาวนาเต็มที่แล้วเนี่ยจิตมันเกิดปัญญา มันเห็นความจริงแล้วธาตุขันทั้งหลายมีแต่ทุกข์ล้วนลวนถ้าเห็นธาตุขันเป็นทุกข์ล้วนลวนแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับไปรวมกับขันอีกล้จะแยกขาดจากกันเพราะปัญญางั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงสรุปมันบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญามีปัญญาอะไรปัญญาเห็นอริยสัจนั่นเองก็เห็นทุกข์อริยสัจข้อแรกก็คือเห็นทุกข์เห็นขันนั่นแหละตัวทุกข์นะพอราสติปัญญามันเห็นขันเป็นตัวทุกข์แล้วจิตมันก็พรากออกจากขันมันไม่ยึดถือขันมันแยกออกจากกัน ตอนนี้พวกเราหัดแยกขันอยู่เนี่ยตอนนี้ใครหัดแยกขันอยู่ใครแยกขันได้แล้วเยอนะแยะเนาะมีเยอะแยะเลยจะไม่กล้ายกมือนะมุดมุดอยู่อย่างเงี้ยนะนักปฏิบัติเลยขี้ขลาดปอนนั้นนะตอนเราหัดแยกทีแรกเรารู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งรู้สึกไหมจะแยกอย่างเงี้นะแยกเป็นสองอันใช่ไหมกายกับจิตเป็นคนละอันกันเนี่ยหัดในเบื้องต้นจะเป็นอย่างนั้นนะ กายกับเวทนากับจิตก็คนละอันกันจะแยกแยกแยกแยกแต่ตอนที่จิตพลากจับขันเนี่ยไม่ได้แยกเป็นสองอย่างนี้นะอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละแต่มันไม่กระทบกันมันไม่ได้แยกเป็นสองชั้นเหมือนน้ากับน้ํามันไม่ได้แยกเป็นสองชั้นหรือหลายๆชั้นเหมือนขนมชั้นมันกลืนอยู่ในอันเดียวกันนะจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่จิตกับธาตุกับขันนะกลืนอยู่ในเนื้อเดียวกันแต่ไม่กระทบกระทั่งกัน เป็นอีกแบบหนึ่งนะไม่ใช่ว่าต้องมาคอยแยกแยกแล้วหวังว่าจะวันหนึ่งแยกไปเรืแล้วจะเป็นพระอรหันต์ไม่เป็นหรอกการที่เราแยกขันออกไปเห็นจิตกับขันแยกออกจากกันเห็นจิตกับกายแยกออกจากกันเห็นจิตกับเวทนาคือความสุขทุกข์แยกออกจากกันเห็นจิตกับสังขารที่เป็นกุศลอกุศลแยกออกจากกันไม่ได้แยกห่างๆแล้วก็อย่าไปปรับของให้แยกมันแยกของมันเองค่อยๆหัดรู้สึกไปหัดรู้สึกไป อย่างเรานั่งนะนั่งให้สบายเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายหายใจอยู่รู้สึกสบายๆใจมันเป็นแค่คนรู้เห็นร่างกายมันนั่งอยู่รู้สึกสบายๆแค่นี้มันแยกเองนะถึงจุดที่จิตมันมีสมาธิพอมันจะแยกออกเองแต่ถ้าจงใจดึงนะดึงดึงให้แยกออกไปดึงดึงจิตออกมานะแล้วก็ดันดันขันออกไปหลวงพ่อ เ, เ, เคยทำทั้งสองอย่างอะ ดึงจิตออกมานะดึงออกมาได้ก็กูเก่งแล้วอ่ะนะอีกวันหนึ่งดึงไม่ขึ้นนะก็ดันขันมันเราไปดันใครเคยทําบ้างมีทั้งดึงมีทั้งดันนะวิธีแยกขันไม่ได้จงใจไม่ได้จงใจดึงจิตออกจากขันไม่ได้จงใจผลักขันออกจากจิตนะแต่เรามาฝึกค่อยๆหัดรู้หัดดูไปเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นกุศลกุศลเกิดขึ้นใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะสุดท้ายมันจะแยกกันระหว่างจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ดูนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้ามันจะแยกออกจากตันเองแต่แยกเป็นคราวๆไม่แยกตลอดถ้าคนไหนหัดภาวนาแล้วรู้สึกแยกขันได้ทั้งวันนะให้รู้ไว้เลยว่าเพ่งอยู่นะจะมีการประคองมีการรักษามีการเพ่งอยู่แน่นอนงั้นถ้าแยกแล้วปลุกปลุปลโรอยู่นะ ยังพอเป็นธรรมชาติหน่อยแต่ว่าพอฝึกแยกไปนานทีแรกก็ปลุบปลุบโปรแนะต่ไปจิตมันจะค่อยเด่นดวงขึ้นมาไม่ค่อยรวมเข้าไปแล้วเด่นดวงขึ้นมาแล้วพอมันเด่นดวงขึ้นมาแล้วสติปัญญาผมก็คน้นคว้าพิจารณาขันไปเรื่อยนะเห็นจิตเนี่ยเป็นคนดูอยู่ขันเนี่ยทำงานไปผ่านมาผ่านไปจิตเป็นคนดูฝึกยิ้มนานไปจิตมันเกิดปัญญามันเห็นว่าทุกอย่างที่มาทุกอย่างที่ไปเนี่ยทุกทั้งนั้นเลย เหลือแต่จิตที่เด่นดวงอยู่นี่แเป็นตัวสุขนะจิตที่ไม่เข้าไปคลุกกับอะไรนั่นแหละเป็นตัวสุขถ้าจิตไหลเข้าไปคลุกกับสิ่งนนสิ่งนี้แล้วจิตจะปล่อยทุกไปด้วยนะพอเห็นความจริงว่าทุกอย่างนี่นะเป็นเป็นของไม่ดีเลยขันทั้งหลายเป็นของไม่ดีเลยมีจิตดีอยู่คนเดียวนะจิตมันจะไม่ไหลเข้าไปในขันครั้งนีนะ้จิตมันจะไม่ไหลไม่ถล่มเข้าไปในขันแต่ว่ามันจะมายึดอยู่ที่ตัวจิตตัวเดียวนะอันนี้จะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะ จะลงมาที่จิตอันเดียวพระนาคาเนี่ยมีปัญญาปานกลางเห็นแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ของดีของวิเศษอารมณ์นั้นจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือผลทพะใดๆก็ตามนะหรือเป็นเรื่องความคิดนึกในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพะใดๆก็ตามไม่ใช่ของดีของวิเศษนะถ้าจิตไหลเข้าไปอยากจิตไหลเข้าไปยึดเมื่อไหร่จิตจะทุกข์เมื่อนั้นนะเนี่ยเราภาวนานะแล้วมันจะค่อยพัฒนาขึ้นมาเอง ทีแรกก็ขันกับจิตก็รวมกันเป็นก้อนเดียวกันเรามาหาักแยกนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกแล้วมันก็รวมบ้างแยกบ้างรวมบ้างนะเมื่อไหร่มีสมาธิขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาขันก็แยกออกไปเมื่อไหร่สมาธิตกขันก็รวมกับจิตเข้ามาอีกนะรวมกันเข้ามาอีกจนกระทั่งวันหนึ่งเห็นความจริงเลยขันมันมีแต่ทุกนะทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามีแต่ทุกร่างกายที่จิตไปรู้เข้านี่ก็มีแต่ทุก ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรนะหมุนเวียนไปอเรื่อยๆเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้กูสอนอะกูสอทั้งหลายก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เพราะมีแต่เกิดแล้วก็ดับไปอารมณ์อารมณ์ไปว่าสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ทั้งปวงนั้นเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตมันก็วางตัวอารมณ์นะมันมายึดจิตจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันที่ได้มีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ได้มีอารมณ์ที่นั้นมีจิต เสร็จแล้วพอมันเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายที่เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสังขารไร้สาระแล้วมันวางไม่เข้ามาที่จิตอันเดียวเนี่ยจะเด่นดวงอยู่างเงี้ยมีสมาธิทรงตัวเด่นดวงเงี้ยงั้นเป็นภูมิธรรมของพระนักคานะท่านเห็นความจริงแล้วว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นของที่ไร้สาระอย่างพวกเราไม่เห็นว่าอารมณ์ไร้สาระพวกเรารู้สึกไหมอารมณ์เป็นของอริสอร่อยยกเว้นอารมณ์ไม่ดีถึงจะไร้สาระอารมณ์ที่อริสอร่อยยังมีอยู่รู้สึกไหม เราเที่ยวแสวงหารูปที่สวยแสวงหากลิ่นที่หอมแสวงหารสที่อร่อยแสวงหาเสียงที่ถูกถูกใจเรายังคิดว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเป็นรูปก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นกลิ่นก็ได้เป็นรสก็ได้นะเป็นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาสัมผัสร่างกายก็ได้เราเที่ยวแสวงหาไปเดืยหวังว่าจะมีความสุขเนี่ยการที่จิตเที่ยวแสวงหาอารมณ์ไปเรื่อยนี่คือการแสวงหากรรมนะเที่ยวแสวงหาอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกาย ร่นเร่ไปเรื่อยหรือหาความสนุกสนานเพลิดเพลินทางจิตใจเพลิดเพลินไปเรื่อยก็เรียกกามมาทำนะเป็นกรรมทางใจและจิตยังคล่องอยู่ในกรรมพวกเราจิตคล่องในกรรมไหมรู้สึกไหมจิตหิวหิวรูปใช่ไหมอยากดูรูปหิวอยากได้ฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสอยากคิดอยากนึกเรื่องที่สนุกสนานเพลิดเพลินใช่ไหม เรายังเฟือเฟินอยู่เรายังเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นของดีของวิเศษอยู่ว่เพราะฉะนั้นสรุปได้เลยถ้าใครเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พระอนาคามีไหมใครเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษยังไม่มีนะสรุปว่ายังไม่เห็นพระอนาคาเนี่ยต้องค่อยฝึกนะพระอนาคาถ้าจะเห็นแจ้งเลยอารมณ์ทั้งหลายนะไร้สาระเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้จิตเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งได้เราะฉะนั้นพระอนาคาเนี่ยจะสงวนรักษาจิตห่วงแหน แลมาภาวนาต่อไปอีกแต่ส่วนใหญ่จะตายอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หลวงพ่อพูดนะหลวงปู่ดุลท่านพูดให้ฟังเราก็จํามาอีกจริงมีวันหนึ่งนั่งอยู่กับท่านนั่งเงียบๆวิธีนั่งฟังธรรมะของหลวงปู่ดุลห้ามพูดถ้าพูดแล้วจะไม่ได้ของดีต้องนั่งนิ่งๆ ด, ดูจิตดูใจภาวนาไปนะเดี๋ยวธรรมะเกิดขึ้นกับใจท่านนะท่านก็จะบอกให้นะวันหนึ่งท่านก็บอกว่าผู้ปฏิบัติส่วนมากเป็นผีใหญ่ท่านว่าอย่างนี้ แล้วท่านก็จบไม่พูดเราก็ต้องนิ่งๆิ่งอย่าไป บ, บอกแวะอย่างนี้นะธรรมะท่านหายหมดเลยถ้าไม่พูดอีกแล้วเสร็จแล้วท่านก็ขยายความให้เพราะว่ายัางยึดจิตไปอยู่ยังยึดถือจิตอยู่ปล่อยวางจิตไม่ได้หรอกเห็นจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยอยู่งั้นพวกเราหัดภาวนานะเรียนรู้ความจริงแยกคาดแยกขันไปก่อน แล้วก็เห็นเลยว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปหาสาระแก่นสารไม่ได้จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ถ้าดูไปเรื่อยนะเราก็เห็นนะจิตเองก็ยังเกิดดับนะก็ยังเกิดดับเกิดดับแต่ว่าถ้าอยู่ที่จิตแล้วมีความสุขเกิดดับอยู่ที่จิตแค่มีความสุขถ้าเกิดดับแรกแรกออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีความทุกข์นะจิตจะไม่ไม่ซ่านออกไปตรงที่เห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับไปทั่งตัวจิตอันนะี้เป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันนะ ทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับนะถัดจากนั้นจะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายนะจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโพรทภะนะหรือเป็นความคิดนึกเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสโพรทภะก็ตามเนะีเป็นสิ่งที่มายั่วให้จิตไหลไปมายั่วนะถ้าจิตไหลไปหามันเมื่อไหร่นะหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโพรทภะที่เป็นกรรมธรรมนะหากรรมธรรมเนะี่ยอนนี้เป็นธรรมอารมณ์นะจิตจะจะมีความทุกข์เกิดขึ้น เนี่ยภาวนาไปพอเห็ น, นอารมณ์ทั้งหลายเป็นทุกข์จิตจะวางก็เข้ามาที่จิตเห็นจิตเป็นทุกข์นะก็วางจิตพอปล่อยวางจิตได้เนี่ยปล่อยวางอารมณ์ไปแล้วก็มาปล่อยวางจิตผู้รู้ไปด้วยส่วนใหญ่ก็จะภาวนาที่หลวงปู่ดูลนท่านบอกว่าส่วนใหญ่ก็แค่วางอารมณ์ไปนะแล้วก็มายึดจิตเอาไว้คิดว่าจิตเป็นที่พึ่งที่อาศัยอันนี้หลวงพ่อบอกล่วงหน้าไว้นะวันข้างหน้าเกิด คนไหนบุญบารมีมากนะจะได้จําไว้ใช้เพราะว่าพอภาวนาจนจิตปล่อยขันไปแล้วนะแล้วต้องมาเข้ามาที่จิตนี้มายึดจิตอยู่อีกทํายังไงจะปล่อยวางจิตได้อีกจริงสติปัญญาต้องแก่กล้าพอต้องเห็นนะจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษจิตนั้นเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้บางคนสําคัญผิดว่าจิตคือนิพพานนะถ้าจิตหมดกิเลสแต่ว่านิพพานไม่ใช่จิตกับนิพพานเป็นสภาวะธรรมคนละชนิดกันเลย จิตเป็นตัวที่รู้อารมณ์นะนิพพานเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งที่จิตไปรู้เข้านิพพานเป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งรู้ด้วยใจนะนั้นเป็นนิพพานกับจิตโคลนกันนั้นจิตยังเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้บางคนพอไปเจอจิตก็บอกว่าเจอนิพพานแล้วเห็นจิตคือเห็นนิพพานไม่ใช่เนี่ไม่ใช่นะนะเห็นจิตอยู่ตายไปจะไปเป็นพระพรหมนะไม่เข้าฌานตายไปตอนตายนี่มันจะเกิดฌานอัตโนมัติขึ้นมานะอย่างน้อยปรถมมาฌาน งั้นอย่างพระอนาคาเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกองค์จะไปอยู่ในสุทธาวาสอย่าเข้าใจผิดนะพวกเราบางทีชอบมั่วๆ ว, ว่าพระอนาคาทุกองค์ไปเกิดในสุทธาวาสในพรหมโลกสุทธาวาสสุทธาวาสเนี่ยเฉพาะท่านที่ได้ฌานที่สแล้วไม่ใช่ฌานที่สี่เฉยๆด้วยนะอินทรีย์ต้องแก่กล้าด้วยนะนำทางฌานที่4ี่ท่านจะไปอยู่เรียกเวหัภ ร, รารอะไรจำคล้ายๆกับขลาเป็นเป็นฌานที่สี่เป็นพรหมที่เกิดด้วยฌานที่สี แต่ไม่ไปเป็นอาสัญญาสัตตาไม่ไปเป็นพรหมลูกฟักนะแล้วก็เกิดได้ตั้งแต่พรหมชั้นต้นเลยตั้งแต่พรหมปาริสัจชาปาริสัจชาพรหมบริษัทพรหมที่มีหน้าที่เสิร์ฟพรหมที่สูงขึ้นไปพรหมลูกน้องนันไม่ใช่พรหมแล้วยิ่งใหญ่ทุกองนะมีปาริสัจชามหาพรหมมาไล่ไล่ล่ขึ้นไปมีพรหมมีตั้งเยอะนะจะรูปประพรหมมีแค่ส ไม่ใช่พระนาคาต้องอยู่สุทธาวาสอยู่ปริสัชชาก็ไดนะ้ถ้าท่านได้แค่ปฐมฌานะแต่ว่ารวมความก็คือถ้ายังยึดจิตอยู่ยังไปเกิดอีกแต่เกิดในพรหมโลกนะนะถ้าเพ่งจิตไว้ก็ไปเป็นอรู ป, ประพรหมนะถ้าไม่ได้วางกายยังรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายอยู่ตายไปก็ไปเป็นพรหมมีรูปพนะรหมมีรูปมีตาหูจมูกลิ้นกายมีใจ มีขันห้าเท่าๆกับพวกเรานี่เองแต่ท่านไม่ยึดละท่านไม่ยึดขันหยาบหยาบนะไม่ยึดจิตเอาแอนเดียวค่อยฝึกไปนะจนกระทั่งวันหนึ่งจิตปล่อยวางจิตหลวงปู่โ ด, ดนพูดถึงคําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรึกเคยได้ยินไหมถ้าพูดให้เต็มยศให้ถูกต้องท่านจะต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องพูดว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรึกเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือเห็นอะไร เห็นจิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้นะเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้นะถึงจะเป็นอรหันตมรรคจิตที่จะปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแล้วเนี่ยอย่างอื่นปล่อยมาก่อนแล้วพอปล่อยวางจิตเขาจะไม่มีอะไรที่จะยึดเหนี่ยวอีกต่อไปจิตที่เหลืออยู่ธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งมันเกิดขึ้นธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์ล้วนๆมันมีอยู่คราวนี้ไม่ใช่จิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วมันเป็นธรรมชาติผู้รู้มันแยกตัวออกจากสิ่งที่ถูกรู้ แต่พอถึงมันเป็นาธาตุรู้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่แยกตัวนะจิตกับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวรวดเลยนะคลื่นเป็นเนื้อเดียวกันได้นะซึมซ่านเข้าไปได้แต่ว่าไม่กระทบกันเป็นเรื่องแปลกอันนี้เรานึกไม่ถึงนะมันคล้ายๆแสงสว่างนะผ่านไปในอวกาศนะไม่กระทบกันนะแต่ผ่านไปได้ในอวกาศนะไม่กระทบไม่ทาให้อวกาศร้อนขึ้นนะนะจิตกับ วัตถุจิตกระทัดกระขันอะไรเนี่ยพรากออกจากกันแต่ไม่ได้พรากเป็นสองส่วนถ้าพรากออกมาเป็นสองส่วนอยู่เนี่ยยังไม่เป็นหนึ่งถ้ามันมันมันแยกมันพรากออกด้วยความไม่ยึดถือมันจะรู้สึกว่าจิตกับขันนั่นแหละจิตกับโลกข้างนอกนี่แหละเป็นเนื้อเดียวกันด้วยแต่ไม่กระทบกันเลยเป็นความรู้สึกเป็นอีกแบบหนึ่งนี่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะก็ฟังฟังเอาไว้ก่อนวันหนึ่งก็เจอ ถ้พวกเราพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะได้พบได้เห็นจะพบว่าอัศจรรย์มากเลธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนต่อๆกันมานะภาวนาแล้วจะมีแต่ความสุขได้รับประโยชน์อันยิ่งคือพระนิพพานได้รับความสุขอันยิ่งความสุขอะไรเสมอด้วยพระนิพพานไม่มีนะะจิตที่ทรงนิพพานอยู่เต็มไปด้วยความสุขจิตที่ทรงนิพพานอยู่นะี่คือจิตที่ทรงธรรมอยู่นะ สบายเป็นเนื้อเดียวกับทำจิตกับทำเป็นอันเดียวกันค่อยฝึกเอาเนาะวันนี้ทำไม่ได้วันข้างหน้าก็ทำให้ได้เบื้องต้นทำต้นทางให้ได้ก่อนถือศีลห้าอย่าลืมนะศีลห้าสาคัญมากเลยถ้าเราทิ้งศีลห้าจิตเราจะฟุ้งซ่านรักษาศีลรักษาศีลได้ดีด้วยการมีสติรักษาจิตหลวงพ่อสอนอยู่ทุกวันในเรื่องนี้ มีสติคุ้มครองจิตเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเวลาจะทําผิดศีลมันจะละอายแก่ใจไม่กล้าทําผิดศีลหรอกน้ําอายตัวเองพวกเราสังเกตไหมเวลากิเลสเกิดมันน่าอายนะกิเลสตัวไหนหน่าอายที่สุดนึกออกไหมกูเก่งเนี่ยกูเก่งเนี่ยทุเล็ที่สุดเลยแต่ว่าเวลากูเก่งมันพองนะมันพอง แต่ว่าพอเราเห็นว่ากูเก่งเกิดขึ้นในใจเราเองเนี่ยจะรู้สึกมันน่าอายที่สุดน่ายะแยงนะแล้วเกิดฮีริโอตป่าขึ้นมานะฮิรีละอายนะละอายต่ออากูศลเนี่ยโอตป่านะเกรงกลัวผลของการทำชั่วนะจะละอายเองเกรงกลัวผลชั่วเองพราะพอมันละอายมันเกรงกลัวมันจะคอยดูบ่อยๆมันกลัวน่าเกลียด คอยรู้คอยดูเรื่อยไปจิตเรียกค่อยพัฒนานะมีศีลขึ้นมางดงามคนไม่มีศีลเพราะกิเลสครอบงําจิตนั้นมีสติรักษาจิตไว้กิเลสเกิดรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นพอจิตมีศีลอัตโนมัติแล้วสมาธิเกิดขึ้นง่ายจิตที่ไม่มีศีลจะวุ่นวายฟุ้งซ่านนะอย่างมันคิดเบียดเบียนคนอื่นมันฟุ้งซ่านแน่นอนจิตเจริญมีศีลมีธรรมอยู่มีความเมตตา ถ้าเรารักษาศีลข้อหนึ่งเป็นนะเราจะได้ความเมตตาขึ้นมาไม่ฆ่าสัตว์แต่เดิมไม่ฆ่าสัตว์เพราะบังคับจิตเอาไว้ต่อไปเจริญสติปัญญามากเข้าที่จิตรู้เลยเวลาโทสะเกิดอยากไปฆ่าเขามันน่าเกลียดไหมมันหายไปนะโทสะหายไปมันจะเกิดเมตตาขึ้นมาแทนอกูศลหายไปกูศนมันจะเข้ามาแทนนั่นรักษาศีลให้เป็นนะไม่ใช่แค่ว่ามีศีลหรอกมันจะได้ธรรมะขึ้นมาด้วยได้ความเมตตา อย่างความโลภเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันน ไ, ได้ความสันโดษมาไม่โลภเนี่ยเราก็ดูนะอย่างอยากโกหกเกิดขึ้นรู้ทันความอยากโกหกหายไปได้สัจจะขึ้นมาเห็นอยากกินเหล้าเมายานะมีสติรู้ทันไม่ไปกินเหล้าเมายาได้สติขึ้นมางั้นถ้ามีสติรักษาจิตจริงๆนอกจากได้ศิ่แเราจะได้ทำบางอย่างอัตโนมัติขึ้นมานะจาเป็นนะ บางคนบอกว่าจะเจริญปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลปัญญาอย่างนั้นปัญญามหาโจร น, นะพูดธรรมะช็อต ๆ, ๆเลยนะแต่เป็นปัญญามหาโจเรเบียดเบียนคนอื่นได้นะเบียดเบียนตัวเองก็ได้เบียดเบียนคนอื่นก็ไดนะ้ทำร้ายใครก็ได้เนั้นต้องพร้อมนะศีล ส, สมาธิปัญญาต้องพร้อมวิธีฝึกสมาธิสมาธิ ม, าธมี2ชนิดสอนทุกวันเลยนะสมาธิชนิดที่1จิตสงบชนิดที่2จิตตั้งมั่น วิธีฝึกให้จิตสงบ ก, ก็คือน้อมจิตน้อมน้อมน้อมน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์นะที่มีความสุขความสบายและเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสเช่นอยู่กับพุทโธใจอยากหนีไปที่อื่นไม่เอาไม่เอานะมันจะอยู่กับพุทโธ ท, ทีแรกฝืนใจหน่อยๆน้อมมันมาอยู่กับพุทโธพุทโธนะถ้าอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขจิตจะสงบจิตก็ไม่ร่อนเร่เที่ยวร่อนไปหาความสุขที่อื่นจิตก็สงบ นี่เคล็ดลับของการทําสมถะกรรมฐานชนิดที่1นะสมถะเนี่ยเป็นสมาธิชนิดที่1นะคือจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวนะสบายมีความสุขล้ต่อไปมาฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะก็หัดอย่างนี้แหละนะนั่งไปรู้สึกไปเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนดูนะหรือดูกายไม่ถนดัดดูจิตเราก็ได้นะเห็นจิตสุขเห็นจิตทุกข์ เห็นจิตเฉยเนี่ยมีจิตอีกคนหนึ่งเป็นคนดูนะเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดขึ้นมีจิตคนหนึ่งเป็นคนดูดูไปดูไปมันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่จิตหรอกนะเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในจิตในภาษาตำราปริยัติเขาเรียกว่าเจตสิกนะสิ่งที่เกิดมาประกอบกับจิตก็เห็นมันเป็นคนละขันกันเนี่หัดแยกไปนะพอจิตพอมันแยกแยก่าจิตเป็นคนรู้คนดูตรงที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละจิตมันตั้งมั่นขึ้นมา มันได้สมาธิชนิดที่2อนะชื่อลักขณูปนิชฌันจะตั้งมั่นเป็นคนดูพระจิตตั้งมั่นเป็นคนดูรู้เนื้อรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่แล้วสบายๆไม่เกร็งไม่แข็งด้วยนะไม่เผลอเพลินด้วยนะคราวนี้คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้สึกกุศลอกุศลเกิดขึน้คนคอยรู้สึกจิตมันวิ่งไปวิ่งมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคอยรู้สึกไปด้วย จะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับนะจิตจะค่อยๆจิ้งไอ้ของที่เกิดเกิดดับดับนี้ของไร้สาระนะมันจะค่อยๆรวมเข้ามาที่จิต น, นะแล้วมันจะเดินต่ออย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี้เองนั้นจะค่อยพัฒนาขึ้นมาเน้อมาแตกหักกันขั้นสุดท้ายก็คือมาปล่อยวางจิตให้ได้เท่านั้นแหละนะยากไหมยากไหมถือสี่ห้าไว้ก่อนนะถ้ายังไม่เริ่มเลยก็ยากหน่อยยังห่างไกล ถ้าตือศีลไว้ก่อนนะก็ไปได้เยอะแล้วได้ตั้งหนึ่งในสามของพระนิพพานแล้วนะได้ศีลแล้วนะต่อไปก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นพระจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนี่ได้สองในสามแล้วเห็นไมเหลือบทเรียนเดียวเหลืออีกนิดเดียวเอง <c oughs> นะไม่เกินเจ็ดชาติก็เรียนจบแล้วนะต้องสู้เอานะนั้นสิ่งที่เราจะได้มานะเราจะได้ประโยชนนะ์ประโยชน์ตั้งแต่ปัจจุบัน ประโยชน์ในอนาคตนะจนแก่จนเฒ่าก็มีความสุขได้ประโยชน์อันยิ่งคือพระนิพพานทุกคราวที่ได้ประโยชน์มาก็มีความสุขนั่นแหละนะมีความสุขแนบมาด้วยถึงพระนิพพานก็มีความสุขที่สุดเลยไม่มีอะไรมีความสุขเท่ากับพระนิพพานเลยนะและวจิตที่ส่งพระนิพพานอยู่เวลาจิตส่งพระนิพพานอยูนะ่ถ้าเป็นพระโสดาสกตาขาพรนะนาคามันไม่ส่งไม่ส่งจริง บางทีเวลาจะนึกถึงนิพพานนะต้องไปแยกขันใหม่นะดูจักขันก่อนแยกขันออกไปนะแล้ววางขันจิตไม่เคยวางละวางวางเร็วนะวางปุป๊บเลยก็ไปเจอพระนิพพานนะแต่อย่างท่านที่ท่านจบจิตแล้วนะจิตท่านอยู่กับ น, นิพพานร ะ, ะลึกถึงแค่มนานศสิการถึงแค่ระลึกถึงนะมานศสิการถึงก็ถนะึงเลยแล้วจิตกับ น, นิพพานมันแนบอยู่ด้วยกันอยู่แล้วอยู่แค่ระลึกถึงพระรหันเห็นนิพพานตลอดเวลาไหม ใครตอบได้บ้างไม่ตลอดพระอราหันต์เห็นรูปไหมพระอหันต์ได้ยินเสียงไหมหรือพระอราหันต์หูหนวกตาบอดตอนที่เห็นรูปเนี่ยก็ไม่ได้เห็นนิพพานใช่ไหมตอนที่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้เห็นนิพพานใช่ไหมตอนที่จมกูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้การกระทบสัมผัสก็ไม่ใช่นิพพานจิตไปรู้อารมณ์อย่างอื่นต่างหาก ตอนที่คิดล่ะพระอรหันต์มีความคิดไหมเออเขาต้องมีใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านอย่างคิดเลยวันนี้ท่านจะสอนใครอะไรจะสอนยังไงท่านคิดนะเวลาที่คิดเนี่ยจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดจิตเขาไม่ไปส่งนิพพานเห็นไหมคนละเรื่องกันนะไม่อย่ามอมโมเมแต่ถามว่าจิตนั้นปนเปื้อนกิเลสได้อีกไหมไม่ปนเปื้อนอีกต่อไปแล้วเพราะว่าจิตนั้นมันกลืนเข้ากับธรรมชาติเลยกลืนเข้ากับธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติ มันไม่ปนเปื้อนอะไรอีกต่อไปแล้วแต่ถามว่ารู้ตลอดเวลาไหมถ้ามานาสิการถึงก็รู้ถ้าไม่มานาสิการถึงแต่ไปมานาสิการในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลิภัพฑ์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนั้นเราอย่าไปวาดภาพาพระอรหันต์เหมือนคนพิการนะวันวนั้นนั่งเยุงมากัดเนี่ยคันก็เกาไม่ได้เดี๋ยวว่าโลภโอ้อะไรเงี้ยนะอย่างมันเกินไปนะนะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกฝึกนะแล้วเราจะได้ความสุข เป็นบุญเป็นวาสนาของพวกเรามากเลยนะที่เราได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะที่วัดหลวงพ่อตอนนี้นะมีฝรั่งอยู่กลุ่มหนึ่งไปเรียนฝรั่งนี่เรียนกันจริงๆเลยนะเวลาเรียนนี่เขาเอาจริงเอาจังเลยเมื่อวานแกล้งถามเนว่าใครเคยเห็นเทวดาบ้างฝรั่งยกมือเลยนะคนไทย <laughs> นะคนไทยเราคุ้นกับธรรมะมากไปได้ยินธรรมะนะแล้วไม่ปฏิบัติเนาะ ถ้ไม่ปฏิบัติไม่ได้เรื่องมีหูก็เหมือนหูหนวกแล้วมีตาก็เหมือนตาบอดไม่ได้เรื่องนะแต่ไม่ใช่ต้องเห็นเทวดาทุกคนนะเห็นกิเลสอะไรเห็นกิเลสน่ะยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะดีกว่าเห็นเทวดาอีกอันนั้นแกล้งลองดูเท่านั้นแหละเห็นฝรั่งนี้นั้นชอบทําสมาธินะอลองแหย่ดูมันเห็นบอกมันเห็นพวกเราไม่ต้องไปเห็นเทวดานะให้เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามของเรานะ ดีที่สุดเลยเอาวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะคือเราข้อสังเกตอย่างนะคือที่ที่ส่วนสันติธรรมกับที่เนี่ยคนที่รับธรรมะได้ประณีตเนี่ยเยอะนั้นธรรมะที่เทศออกมาช่วงหลังๆเนี่ยเะละเอียดจะประณีตมากขึ้นมากขึ้นนะธรรมะมันพอดีกับคนฟังใจไม่พร้อมกับธรรมะเพไม่มีธรรมะให้ฟังหรอก นี่พวกเราใจพร้อมกับธรรมะนะเพราะฉนั้นฝึกนะได้ฟังธรรมะแล้วรู้สึกตัวคือศีลไว้รู้สึกตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจเห็นกายเห็นใจทํางานใจเป็นผู้รู้ผู้ดูฝึก อ, อย่างนี้บ่อยๆยังไงก็ต้องดีขึ้นสักวันหนึ่งแหละจะเริ่มเห็นธาตุขันมันแยกออกไปตอนนี้พวกเราที่แยกธาตุแยกขันเป็นนับจานวนไม่ถูกแนละ้วเยอะมากเลยไปฟังซีดีตอนที่าส่งกันบ้าน ฟังซีดีแผ่นท้ายๆเนี่แหละสักสิบแผ่นหลังมาเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องแยกทัดแยกขันนึกออกไหมหายากแล้วนะที่จะมาถามหลวงพ่อว่านั่งไปแล้วเห็นนโ น, น้นเห็นอ น, นี้ไร้สาระไหมนั่งแล้วเห็นขันมันแยกออกไปทํางานอะไรอย่างนี้ฟังแล้วมีสาระนั่งแล้วเห็นขันตกต้นไม้ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะดีกว่าไม่เห็นอก็ดีอย่างเวลารดกว่ํา เวลาเกิดอุบัติเหตุนะสติสมาธิเป็นธารมอัตโนมัตินะที่เรียนกับหลวงพ่อมาน่มันดีดผางขึ้นมาเลยนะจิตนะรถหมุนติ้วๆนี่จิตมันเป็นคนดูนะตายไปก็ไม่มีอะไรน่ากลัวนะนี่มีคนมาเล่าเรื่อยๆว่าไปวัดครูบาอาจารย์ที่น้นที่นี่นะท่านชมฝากชมมาถึงหลวงพ่อด้วยลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนี่ภาวนาเก่งในชะท่านไม่ยักบอกหลวงพ่อประโมทภาวนาเก่งอนะ ท่านบอกลูกศิษย์เอว่าพระพมรภาวนาเก่งเลยอะพอสมควรนะเชิญพ่อครับผมทาตามที่หลวงพ่อสอนมาข้อปีที่สามตอนนี้จิตมันเห็นการเกิดอยู่เป็นช่วงๆบางวันก็เยอะบางวันก็เกือบแล้ว เ, เห็นดับไหมหรือเห็นแต่เกิดเห็นส่วยใหจะชาัดที่เกิดครับดับน้อยมากครับต้องดูบ่อยๆนะ ต่ไปดับจะชัดมากดับจะชัดมากดูไม่มีแต่ดับดับดับับลงไปด้วยนะกระทั้งในร่างกายนะเห็นดับเป็นหย่อมหย่มยอมหไปเลยรูปเป็นกลุ่มกลุ่มดับเป็นกลุ่มกลุ่มไปจิตก็เห็นมันดับดับดับไปกิเลสเกิดขึ้นมาพอสติระลึกปุ๊บดับกุศลเกิดสติระลึกปุ๊บดับหรือไม่ดับไม่สําคัญเพราะไม่ใช่กิเลสนะครับอ่าผม อยู่ด้วยอนาปานสติได้เป็นช่วงๆแล้วก็เคยทําสมาธิมีฌานได้ไม่ทราบว่ากําลังขณะนี้จะพอที่พอสิ <จะ S 2> พอเดินหน้าได้หรือเปล่าครับได้ไดถ้าจิตทําสมาธินะออกจากสมาธิแล้วดูจิตได้ก็ดูถ้าดูไม่ได้ดูกายไปเลยครับผมนะเห็นเลยผมเล็บฝันหนังผมคนเล็บฝันหนังไม่ใช่คนหรอกนะไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุนะครับเราไม่ทราบจิตมันเป็นกลางเปล่าครับเพราะเคยเห็นเป็นกลางตอนที่ มีคนเขากํำลังสรรเสริญเราไปเดินทางไม่ดีอะครับพอดีจิตมันเป็นกลางแล้วก็มันรู้ว่าดีใจว่ามันเป็นกลางแลมันจะเย็นนั่นแหละัแหละให้รู้เอานะเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเราก็วินอยู่ชนรู้ด้วยตนเองครับผมไม่รู้เองแหละต้องถามเลยหลวงพ่อแหละถ้าเป็นกลางนะจิตก็ไม่ปรุงต่อแต่ถ้าไม่เป็นกลางจิตจะดิ้นถ้ายินดีขึ้นมาจิตก็ดิ้นถ้ายินร้ายจิตก็ดิ้น อย่างพอเขาสารรเสริญในทางลบในภาษาไทยเดี๋ยวนี้สับสนมากเลยนะเขาสารรเสริญในทางลบเขานินทาในทางบวกก็คงมีบ้างอะ่ะทั้งนั้นนะพอเขาสารรเสริญในทางลบนะเรารู้ทันใจเป็นกลางเกิดยินดีใช่ไหมเกิดยินดีขึ้นมานี่ให้รู้ทันว่ายินดนะีแต่มันมีอีกตัวหนึ่งต้องแยกให้ออกถ้ามันเป็นปีติไม่ใช่ยินดีนะมันเป็นปีติมันอิ่มใจขึ้นมา ตัวนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีมันตกลงมันเป็นอะไรมันยินดีหรือมันปีติอ่ะมันมันเหมือนระเบิดออกมาครับแล้วมันก็ปลื้มปลืมนิดนึงครับเออนั่นแหละมันมีปีตินะถ้ายินดีนะว้ากูเก่งจังเลยนะอย่างนี้นะายิ่งปลุงต่อหนักเขาอีกครับไปทําต่อนะถ้านะจิตอย่าไปกดจิตอย่าไปบังคับจิต นะแค่รู้สึกตัวให้สบายรู้สึกตัวไปปล ง, ปลง au, ๆเบาๆสบายรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดานะี่ไปกดจิตให้แข็งๆรู้ไปสบายสบายๆจิตที่สบายและจิตมีความสุข ม, มีสมาธิขึ้นมากับน้ำมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะกลัวไหมตื่นเต้นอดี ฟังเทศสดสดครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ปฏิบัติ ต, ตามแนวทางมาค้อปีอะค่ะแต่บางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีธรรมดาน ะ, ะรู้จักเคยได้ยินชื่ออาจารย์มหาบัวไหมหลวงตา ม, มหาบัวท่านเนี่ยสอนเลยการภาวนาน ะ, ะมันเจริญได้ก็เสื่อมได้อีกอะ่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละอาจารย์สิงห์ทองเขาพูดวอกจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมเพราะฉนั้นไม่ใช่ว่าภาวนาแล้วดีทุกวันหรอกนะภาวนาเหมือนกันทุกวันเลยนะ จิตยังจเจริญแล้วเสื่อมเลยมันแสดงใจรักให้ดูได้อย่างนี้ถึงจะดี เ, เคยปกติไม่ค่อยดูเวทนามีอยู่ครั้งหนึ่งมีความเจ็บปวดขึ้นมาแล้วก็นึกถึงที่พระอาจารย์สอนน ะ, นะคะว่าให้กายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนนึงแล้วเวทนาเป็นสิ่งแปลปลอมเข้ามาเราก็นึกถึงหลวงพ่อจะแล้วความเจ็บปวดก็เบาบางลงไปประมาณ 50% แล้วเราก็เอ๊ะหรือจิตเราปรุงแต่งเพราะเราไปนึกถึงหลวงพ่อก่อน ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าถูกสินึกถึงหลวงพ่อก็ดีกว่านึกถึงยักษ์ถึงมารคำถามสุดท้ายนะค ะ, ะบางครั้งมีอารมณ์บางอารมณ์แล้วก็เหมือนอารมณ์นั้นดับไปเป็นชอ็อต2ชอ็อตแล้วเพิ่งรู้สึกอะคะ่ะก็เอ๊ะเราทันปัจจุบันหรือเปล่าทันตอนที่รู้สึกนั่นแหละก็หลงไปช็อตสองช็อตใช้ได้ปกติเขาไม่หลงกันหลอกช็อตสองช็อตน่ะเขหลงกันวัน2วันหรือเดือน2เดือนนะค่ะ พ ค, จ, คจิตต้องตั้งมั่นนะชุดอ่อนของคารวาสก็คือจิตไม่ค่อยตั้งมั่นไม่ถึงฐานนะ่ะบางทีภาวนาไปมีความสุขนะแต่ความสุขมันกว้างๆออกข้างนอกไปนะเราค่อยทวนมาดูกายดูใจบ่อยๆนะให้จิตเข้าเข้าบ้านอย่าให้จิตนี้ออกไปนอกบ้านนักประการค่ะหลวงพ่อต้องขอออกตัวนิดนึงว่าโยมตื่นเต้นมากทีนี้เนี่ยเมื่อตอนประมาณต้นปีเจ้าค่ะโยมฝึก ภาวนาแล้วโยมสามารถแยกขันได้โยมเห็นความคิดมันแยกออกมาเป็นถุงเหมือนอยู่ในถุงใสๆอะค่ะแล้วในนาทีนั้นเนี้ยโยมก็รู้สึกว่าออความกังวลหรือความอะไรวอรในอดีตในความคิดทั้งหมดนั้นมันอยู่ในถุงนั้นเท่านั้นเองมันไม่ได้มีตัวตอนอะไรเลยไม่มีหรอกใช่ค่ะแล้วครั้นี้หลังจากนั้นเนี้ยโยมก็สามารถคือขันเนี้ยก็แยกอีกสามสี่ครั้งเป็นลมหายใจบ้างเป็นรสชาติบ้างซึ่งโยมไม่ทราบามันแยกได้ยังไงแต่ก่อนหน้านั้นโยมไปอ่านหนังสือมาก่อนนะอย่าจงใจนะ ความจริงฟังหลวงพ่อเทศเนเรื่องๆก็แยก <c oughs> ใช่จ้ะค่ะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยโยมก็มีอาการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือมีความรู้สึกว่าเห็นอะไรมันแวบแวบแวบแวบตลอดเวลามันแวบอยู่ตรงไหนบา ง, งครั้งโยมคิด ว, ว่ามันเป็นที่สายตาแต่โยมคิด ว, วา่าเป็นความรู้สึกมากกว่าบางทีก็เป็นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเป็นมีลักษณะเป็นแบบดับ แล้วก็ดีเลยเวลาแป๊บนึงหรือบางทีก็เป็นแบงแบงบางครั้งก็เป็นสว่างบางครั้งก็เป็นมือเคยเห็นแวบๆที่กลางหน้าอกไหมยังไม่เคยเห็นเจ้าค่ะใกล้หัดรู้หัดดูไปเรื่อยเวลากิเลสจะเกิดน้ําผุดขึ้นกลางหน้าอกเนี่ยเจ้าค่ะอันนั้นเราเห็นรูปเกิดดับปั๊บๆอยู่ตามร่างกายนะเห็นรูปเห็นเวทนาเวทนานิยมคิดว่าคงจะยากสําหรับโยมไม่เคยเห็นเลยเจ้าค่ะจะไปเห็นเป็นความคิดอะไรบางอย่างมันแวบออกไปอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนั้นเป็นพวกทิ่ทีจริตนักคิด เจ้าค่ะดูจิตเอาแ ล, แล้วพอหลังหลังจากที่รู้สึกว่าปฏิบัติได้ดีแล้วก็เห็นอะไรแวบๆบแบบมาพักนึงเนี่ยมันก็เสื่อมอย่างมากเสื่อมถ้าอยากเห็นนะจะไม่เห็นอีกเจ้าค่ะมันถึงขั้นตั้งสติอะไรไม่ได้เลยเธ อ, อให้รู้ทันใจที่อยากจะเห็นนะเจ้าค่ะความอยากมันบงังสติมันก็ไม่เกิดที <c oughs> นี้มันก็ดีขึ้นมาสักสอสวันหลังเนี่ยเจ้าค่ะมีสองสนมวัรู้สึกว่าบ้าดีขึ้นท <c oughs> ี่โยมมีคําถามในเรื่องของออสันสติอะเจ้าค่ะหรือการคืบวิปัสสนาแท้เนี่ยถ้าเราเห็น ขันแยกดังอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแท้แล้วหรือยังเจ้าค่ะขันแยกแล้วเห็นไหมขันแต่ละขันเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปหรือเห็น <c oughs> ว่าขันแต่ละขันบังคับไม่ได้เจ <c oughs> ้าค่ะแต่ว่ามันจะไม่บ่อยมากนะถ้าเห็นความเป็นตรลักษณ์ของขันน ะ, ะ <c oughs> ถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของขันนั่นแหละวิปัสสนาก็พอได้อยู่ไม่จำเป็นต้องเห็นสันตติ่ะช่างเกิดของคนอื่นเขาเห็นก็ช่างเขานะเราไม่ต้องเห็นตามเขานอกเจ้าค่ะเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนเลยก็ได้เจ้าค่ะนะค่ะหมดคําถามแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณ อาจารย์คะดิฉันปฏิบัติเริ่มดูจิตมาได้เกือบสองปีแล้วเจ้ค่ะเริ่มปฏิบัติแล้วก็มีทานศีลภาวนาแต่ยังไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะเห็นกิเลสไหมเวลากิเลสเกิดรู้ไหมรู้บ้างสักการนั่นแหละถ้าเมื่อไหร่รู้นะเราใช้ได้แล้วหัดรู้บ่อยๆเวลาจิตใจมีความสุขรู้ไหมรู้เจ้าค่ะเออเวลาจิตใจเป็นทุกรู้ไหม เวลามีปีติรู้ไหมนี่เราค่อยรู้ไปแล้วจะเห็นเลยใจเรานี้นะมีความรู้สึกเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนเลยการที่เราเห็นจิตใจของเรามีความรู้สึกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่เราเดินปัญญาอยู่แล้วเราจะเห็นเลยความสุขก็ไม่เที่ยงความสุขก็ไม่เที่ยงกุศลนกุศลมีแต่ของไม่เที่ยงคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงในใจของตนเองเรื่อยเรรู้สบายๆนะฝึกอย่างนี้แหละฝึกไปนะ การนมัสการใช่ไโยมเคยส่งการบ้านเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกโยมถล่มเข้าไปอดูออกไหมก็ทรมานอยู่ต้องเป็นเดือนเดือน <c oughs> อคือที่ผ่านมาโยมก็ไปปฏิบัติธรรมเป็นระยะระยะอเห็นเป็นระยะระยะ <c oughs> แต่อยากจะถามหลวงพ่อสักเรื่องหนึ่งว่าอันนี้มันเป็นการส่งออกไปข้างนอกหรือมันถล่มก็ไปข้างในอีก คือโยมไปเมื่อเดือนที่แล้วไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็โยมทําแก้วของวัดตกค่ะอแล้วนาทีที่มันตกโยมรู้สึกว่าโยมก้มลงไปดูแล้วทุกอย่างมันหายไปหมดเหลืออยู่แก้วใบเดียวแล้วมันแล้วมันก็ตกไปช้าๆค่ะอืช้าแล้วจิตหนึ่งเล็กๆมันบอกว่าคว้าสิคว้าทันออจิตเล็กๆบอกว่าไม่แตกหรอกเพราะมันช้าๆ เสร็จแล้วมันก็ลงพื้นแล้วมันก็แตกไปรอยแล้วแล้วมันก็กระจายไปแล้วโยมถึงได้นนรู้สึกส ต, ตัวสติเราเร็วเราเห็นเป็นช็อตชอต็ชอชชเลยนะแต่มันเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปื้นเดียวไม่เห็นเป็นช็อตเลยฮะไม่รู้สึกไหมมันเคลื่อนช้าช้ามันช้าช้าเพราสติเราเร็ว ถ, <อ>ถ้าสติเราช้านะแตกไปแล้วเพิ่งจะรู้ว่าแตกโยมเห็นแต่ตอนสุดท้ายมันลงอย่างรวดเร็ว ถึงพื้นแล้วมันก็เป็นรอยเล้าโยมเห็นรอยเล้าก่อนที่มันจะแตกกระจายแล้วมันก็แตกเป็นรอยเล้าอันนั้นจริงๆด้วยค่ะ น, นั่นแหละอันนี้คือส่งจิตออกนอกใช่ไหมคะใช่อ๋ออันนี้ก็ผิดใช่ไหมคะ <c oughs> เห็นไหมจิตเราไปอยู่ที่แก้วฮะโลกทั้งโลกดับเหลือแก้วอยู่ใบเดียวตอนอ น, นั้นจิตเราไปรวมพ่อกับแก้วนะอะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งมีสมาธิเกิดขึ้นรู้สึกตัวตอนที่ แก้วแตกแล้วยมก็ต ก, กใจเออตกใจรู้ว่าตกใจฮ่<า>นี่กลับมารู้สึกแล้วอ๋อค่ะอันนี้ก็ผิดแล้วไม่ผิดเพราะว่าเราห้ามไม่ได้ตอนที่แก้วตกเนี่ยนะจิตมันเกิดสมาธิขึ้นมามันตกใจอะ่ะ<า>แล้วจิตมันเลยรวมปุ๊บขึ้นม า, าพอจิตมันรวมขึ้นมานะทุกอย่างจะช้าลงไปหมดเลยอ๋อนะยังถือว่ายังไม่ผิดมากใช่ไหมคะไม่ผิดเลย อ๋อหรอคะเพราะว่าจิตมันเป็นสมาธิขึ้นมามันก็ถูกเหมือนกันพิยมนะชอบทําผิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็ออกไปเดี๋ยวก็เข้ามาให้รู้ทันออกแล้วก็รู้ทันเข้ามาก็รู้ทันอันนั้นแหละถูกแล้วถูกรตรงที่รู้ทันต่อไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะได้มีโอกาสส่งการบ้านครั้งนี้เป็นครั้งแรกอนะคะอยากจะขอเรียนถามเกี่ยวเรื่องการใบ้ใบ้ของหนูนะคะคือถ้าวันไหนจิตสงบเนี่ยนะคะ พิจารณาเข้าไปในกายเนี่ยก็จะเห็นโครงกระดูนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเห็นถึงเอาไว้ว่าภายในแล้วก็มีบางครั้งซึ่งจะได้ติ่นของกินคราวของเลือดด้วยทานี้ทำให้หนูกลัวนะคะหนูก็เลยไม่กล้าพิจารณ า, อ, าอย่างนั้นคอตอนหลังก็เลยเลิกไปทำได้ดีแล้วนี่แต่ว่าให้รู้ทันจิต ท, ที่กลัวนะพอความกลัวหายไปก็ดูมันต่อไปอีก ดูไปจนร่างกายเนี่ยแตกสลายไปแล้วจิตเป็นคนดูอยู่เราก็ได้จิตขึ้นมาก็เคยเคยดูย่ทั้งว่ามันสลายเป็นผงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกออแต่ก็ยังกลัวอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยไม่ได้พิจารณาแบบนี้นะแล้วค่ะเสียดายนะมีบารมีทางด้านนี้น่าจะดูต่อไม่เป็นไรหรอกดูบ่อ ย, อยคือตอนนี้หนูก็มาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังซึ่งกายข้างนอกแทนนี้นะคะ ได้แต่ความจริงนะเราถนัดดูกระดูกเห็นกระดูกชานาญนะแล้ดูกระดูกไปเรืเลยเห็นกระดูกยืนกระดูกเดินกระดูกนั่งกระดูกนอนนะดูไปเรื่อยใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยเพื่ออย่างนี้ยังได้เลยถ้าอย่างนี้ก็กลับไปพิจารณาอย่างนั้นได้อีกได้ได้อย่าไปกลัวไม่ไม่เสียอะไรนะถ้าเกิดกลัวขึ้นมาให้มีสติรู้ทัน คือบางคนเนี่ยหัดภาวนานะแบบไร้เดียงสานะหัดไปแบบไม่ได้คาดหวังอะไรไม่ได้คิดได้นึกอะไรนะแล้วจิตมันเข้าล่องนี้เลยอย่างของโยมภาวนาไมันเข้าร่องเห็นกระดูกเลยเงี้ยมันเคยทํามาแล้วต่อยอดมันจะง่ายนะดีกว่าเริ่มใหม่ อ, มอย่าไปกลัวมันหลวงพ่อเคยมีรุ่นน้องคนหนึ่งสอนให้มันพุทโธนะพุทโธอยู่วันสองวันมันเห็นหัวกระโหลกตัวเองแล้วมันเลยสาบานต่อฟ้าดินต่อไปนี้จะไม่พุทโธ อ, อีกแล้ว <laughs> ออเออเวียจริงเลยช่วยไม่ได้กรรมแล้วแล้วคือมีบางครั้งนะคะรู้สึกว่าโกรธเพื่อนหรือโกรธอะไรน้องในงานซึ่งเขาทางานไม่ไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่ามันเป็นความโกรธแต่เราไม่สามารถระ ง, งับได้อ่ะเอเราระ ง, งับวาจาระ ง, งับมือเราระงับเท้าไว้ก่อนเท่านั้นแหละทางใจเนี่ยให้รู้ทันเอานะรู้ทันคนเราโกรธมากๆเนี่ยบางทีโกรธคนอื่นนะ 2 อ, อันนะอนหนึ่งผลประโยชน์มันขัดกันอันหนึ่งเรายึดในความคิดความเห็นของเรามากอย่างคนที่ยึดในความเห็นมากเนี่ยทะเลาะกับคนอื่นเก่งนะเราก็ดูเอานะว่าเรายึดความเห็นของเรารุนแรงไปหรือเปล่าเลยไปโกรธเขานะหรือว่าแย่งชิงผลประโยชน์กันก็โกรธกันนะแต่ถ้าเขาทำงานไม่ถูกต้องไม่พอใจต้องอบรมสั่งสอนลูกน้องทาไม่ดีอันนี้ต้องอบรมแต่ไม่ได้ทำเพราะโกรธนะ กราขอบพร ะ, บะคุณค่ะกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อเออพิ่งมาส่งการบ้านครั้งนี้ครั้งแรกค่ะแล้วก็เพิ่งพบพระอาจารย์ครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่ก็ฟังจากซีดีแล้วก็อ่านจากในหนังสือเมื่อสักสองสามปีก่อนค่ะแล้วก็ทํามาลุ่มๆดอนๆนะคะตอนนี้คําถามก็คืออยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่ทําอยู่เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าค่ะหลวงพ่อถามบ้างดีกว่าค่ะเคยเห็นกายกับจิตแยกออกจากกันไหมเคยค่ะ เคยเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายไหมเคยค่ะอาจารย์เห็นไหมมันไม่ใช่กายมันไม่ใช่จิตเอแยกได้ไหมไม่แน่ใจค่ะอาจารย์คราวนี้ตอนนี้หนูจะมีปัญหาว่าไม่สับสนระหว่างความรู้สึกกับความคิด่ะคะบางครั้งความรู้สึกเกิดขึ้นแต่มันเหมือนเราคิดเองหรือเปล่าให้รู้ทันว่ากําลังสงสัยอยู่คดูเข้าไปตรงๆเลยอะไรเกิดขึ้นรู้เข้าไปตรงๆเลยคไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปกังวล ความรู้สึกใครๆก็รู้สึกใช่ไหมโกรธเป็นไหมก็เป็นใช่ไหมโรคก็เป็นหลงก็เป็นดีใจเสียใจสุขทุกข์เป็นหมดแหละก็แค่รู้สึกว่าตอนนี้จิตใจเราเป็นยังไงธรรมดาธรรมดาแล้วถ้าคิดจะผิดด้วยหรือเปล่าคะห้ามไม่ได้จิตมันมีหน้าที่คิดนะเพียงแต่ว่าเวลาคิดเราก็รู้ทันว่าจิตกำลังไปคิดอยู่ถ้ารู้ทันว่าจิตไปคิดอยู่นะความคิดจะดับลงไปชั่วขณะ เราก็จะเห็นว่าจิตมีสองชนิดเดียเยดเด๋ยวก็เป็นจิตคิดเดี๋ยวก็เป็นจิตรู้เห็นไหมจิตก็ไม่เที่ยงดูไปอย่างนี้เลยก็ได้ครือถ้าดูแล้วเห็นขันห้าแสดงไตรลักษณ์ได้ใช้ได้ทางนั้นแหละก็จะเห็นบางทีอย่างเวลาที่ออกกําลังกายหรือต้องเคลื่อนไหวมากๆอะจะเห็นเหมือนอีกคนนึงวิ่งอยู่ข้างๆอยู่ติดขันนหรือบางทีบางทีที่เอ แต่จะต้องเป็นอารมณ์ที่เด่นขึ้นมาพี่จะแบบตกใจหรือว่าจะเห็นตัวเองตกใจนั่ถ้าฝึกไปอย่างนี้นะเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมานะมันไม่ขาดสติหรอกสติอัตโนมัมจะเกิดขึ้นอย่างรถจะคว่าจะหงายนะมันป้องกันตัวได้เยอะเลยนะอย่างหัวกําลังจะโขกแล้วมันเห็นเป็นภาพสโลอย่างที่โยมตะกี้เห็นแก้วแตกนี่หัวก็กำลังจะโขกอันนี้ใกล้จะแตกแล้วหลบได้นะแล้วเวลาสุขจะตายจริงๆร่างกายมันตายเราเป็นคนดู เราทําได้อยู่แล้วค่อยฝึกไปแล้วจะพบว่าธรรมะน่าอัศจรรย์ที่สุดแค่ขันแยกแค่เนี้รู้สึกไหมชีวิตก็เปลี่ยนแล้วไปฝึกต่อนะะพรแค่ขันแยกก็เปลี่ยนแล้วนะถ้าจิตพลากจากขันนี้รันดอนจะขนาดไหนขอบพระคุณครัครับหลวงพ่อรู้สึกตื่นเต้นมากครับเลยรู้สึกว่าไม่น่ามาถามเลย เอาหลวงพ่อให้เลือกนะจะถามหลวงพ่อหรือจะให้หลวงพ่อถามเดี๋ยวผมถามก่อนก็ได้ครับ อ, อว่ามาคือที่ผมปฏิบัติเนี่ยโดยมากแล้วมันก็เหมือนกับแค่ว่าไปรู้ว่ามันคิดไปรู้มันฟังอะไรแค่นี้แต่ว่าผมจะมีปัญหาว่าเหมือนกับไม่ค่อยเห็นว่ามันเกิดดับอเงี้ยไม่เป็นไรนะดูมันทางานไปเรื่อยๆก็ได้นะไม่ต้องไปกังวลเรา แล้วถ้าเกิดไม่เห็นมันเกิดดับอย่างนี้มันที่จริงมันเห็นแล้วแต่มันไม่สรุปอย่างจิตที่ไปคิดกับจิตที่ไปรู้นะเห็นไหมมันก็สลับกันล้วไม่ใช่อันเดียวกันจิตที่มีความสุกกับจิตที่เฉยเฉยก็ไม่ใช่อันเดียวกันนะมันไม่เหมือนกันแต่ว่าจิตมันยังไม่สรุปเท่านั้นแหละดูบ่อยๆครับงั้นไม่มีอะไรแล้วค่ะค่อยภาวนานะภาวนาไป การปฏิบัติไม่ยากหรอกคนทั่วๆไปเนี่ยเขาละเลยที่จะปฏิบัติเท่านั้นเราคอยรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราก็คอยรู้ทันหรือร่างกายกระดุกกระดิกอยู่ก็คอยรู้ทันดูไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันจะเห็นเหมือนดูคนอื่นเห็นร่างกายวิ่งอยู่นะเหมือนเห็นคนอื่นวิ่งนะเห็นร่างกายนั่งอยู่เหมือนเห็นคนอื่นนั่งอยู่เห็นร่างกายเป็นทุกข์เหมือนเห็นคนอื่นทุกข์อยู่ต่อไปเห็นร่างกายตายนะเหมือนเห็นคนอื่นตายเราไม่เกี่ยว <as> ส่วจิตใจก็ดูเหมือนดูคนอื่นเลยเดี๋ยวมันก็โลบเดี๋ยวมันก็โกรธเดี๋ยวมันก็หลงเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันก็หดทูมนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเลยมีแต่ของไม่คงที่ทั้งนั้นเลยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับขอบพระคุณมากครับนามศการหลวงพ่อครับเอร์ประเด็นที่ผมถามขอสัก2อสามประเด็นนะครับอันแรกก็คือเวลาเกิดสติอัตโนมัติขึ้นมานครับ แล้วจิตความรู้สึกว่าจิตมันผ่องใส ม, มันแว บ, บเดียวแต่ว่าพอสมควรที่จะให้สังเกตได้ชัดเจนนะครับคราวนี้มีบางครั้งเกิดสติอัตโนมัติเหมือนกันจิตผ่องใสเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยชัดรู้สึกเหมือนเอาเวลามันสั้นกว่ากรณีแรกครับไม่เป็นไรครับไม่มีนัยยะอะไรนะรู้เท่าที่มันรู้กนะ็ครับคือเวลาเกิดอย่างเงี้ยอย่างตอนนี้ผมก็แก้ไขด้วยวิธี ไปทำสมถะกรรมาฐานแล้วก็ในระหว่างที่ทำสมถะมันก็มีการระลึกซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับมันต้องมีการระลึกขึ้นมา ต, ตรงนั้นผมมีเจตนาเพื่อจะมาเพิ่มความชัดเจน ใ, ใ, ในการรู้ขึ้นมาเนี่ยผมผมผมทำถูกต้องแล้วใช <ทำ S 1> ่ไัถูกต้องแล้วครับถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยดูได้ไม่ชัดหรอก นี่พออย่างของคุณนะพอจิตมันรวมสงบลงไปแล้วมันทํางานอยู่ข้างในคุณมีสติรู้เข้าไปได้เลยตัวนั้นเราจะใช้สมาธิกับปัญญาควบกันไปเลยนะนี่บางช่วงจิตก็พลิกเข้าหาความสงบเฉยๆอยู่บางช่วงจิตก็เดินปัญญาอยู่ข้างในสมาธินะมีได้สองแบบคือขณะนั้นเรียกว่าเดินปัญญาใช่ไหมครับใช่ ผมยังไม่เคยรู้เลยว่าเดินปัญญาคืออะไรเพิ่งจะรู้การเดินปัญญาเนี่ย <c oughs> ก็คือการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกไหมเวลาเรานั่งสมาธิจิตก็ไม่ได้อยู่กับที่อย่างเดียว บ, บางทีความรู้สึกก็ประณีตแตกต่างกันไปบิงก็หยาบขึ้นหน่อยบางทีก็ประณีตลึกซึ้งลงไปบางทีมีความสุขปุดขึ้นบางทีความสุขดับไปบางทีปีติเกิดขึ้นปีติดับไปในการที่เรามีสติตามรู้ตามดูองค์ชานที่เกิดดับไปได้นั่นแหละเราทําสมาธิกับปัญญาควบกัน นะของคุณสมาธิดีแล้วสติดีคุณทำได้ทั้ง2 อ, อย่างนี้นะบางช่วงถ้าจิตต้องการพักจิตก็เข้าไปพักนิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวสว่างนิ่งอยู่เฉยๆนะนี่พอออกจากสมาธิแล้วเนี่ยก็มีสติในชีวิตประจำวันตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปฝึกอยู่อย่างนี้แหละดีแล้วดีที่สุดแล้ว อ, อีกประเด็นนึงนะครับคือผมสังเกตว่าเวลามีสติ ก็คือมันจะขึ้นมาแบบอัตโนมัติเราไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปแก้ไขมันถูกต้องนะครับคราวนี้มีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือมันเว บ, บอัตโนมัติขึ้นมาว่าความโกรธกับทุกความทุกขเวทนาที่เป็นผลจากความโกรธมันคนละส่วนกันถูกต้องเลยครับแต่เพิ่งจะเคยครั้งเดียวเองนะครับไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปเรียกร้องหามันนะมันเป็นเอง ถ้าเราอยากให้เป็นไม่เป็นอีกแล้วผมกําลังเรียกร้องมันอยู่มันเป็นตัวปัญญานะอ๋อครับแสดงว่าปัญญาเนี่ยทุกระดับเกิดอัตโนมัติทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับือปัญญาปัญญา ป, ญปัญญาจากการภาวนาเนี่ยญญอัตโนมัติเกิดปัญญาจากการคิดเนี่ยไม่อัตโนมัติหรอกรต้องไปคิดเอาแ ต, แต่รู้ว่าคิดนคือรู้ว่าคิดนั่นแหละดีใช่ใช่ไหมครับใช่ของคุณภาวนาคิดใช้ได้เลยครับขอบคุณครับ กราบนมัศการค่ะหลวงพ่อเพิ่งเริ่มฟังซีดีเมื่อเดือนกุมภพาพันธ์แล้วก็ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อแนะนำในซีดีก็ล่างดูลมหายใจไปแล้วก็รู้สึกว่าจิตมันรวมแล้วเงียบพอเงียบอีกสักพักหนึ่งมันก็จะฟุง้งฟุ้งคิดตึงแต่เรื่องงานนะคะหลวงพ่อแล้วมันก็พอฟุ้งเสร็จแล้วมันก็เงียบเงียบไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ฟุ้ง หนูใหญ่หลวงพ่อช่วยแนะนําต่อไปค่ะว่าก็ดูเป็นสิทิจิตจะเงียบ úng, จิตจะฟุ้งจิตก็เป็นไปเองนะ<า>แล้วก็การภาวนาเนี่ยถ้าฟุ้งมากๆ ก, ก, ก็ดูยากนะเราต้องช่วยมันนิดนึงทาสมถะบ้างถ้าทําได้ไม่รู้<า>จะทําสมถะแบบไหนก็ต้องพุทโธในใจไปสวดมนต์ในใจไปนะพุทโธพุทโธแล้วจิตไป ฟ, ฟ, ฟุ้งสั้นเราก็รู้ทันพุทโธแล้วจิตสงบเราก็รู้ทันนะหาเครื่องอยู่ให้มันนั่นจะอยู่กับลมหายใจก็ได้ หนูควรจะทำสมาธาิให้มากขึ้นใช่ไหมคะสมาธาิมีประโยชน์ทุกคนแหล ะ, ะนะก็จะไปปฏิบัติต่อคะ่ะแล้วมาส่งกันบ้านหลวงพ่อใหม่มขอบพระคุณค่ะเวลาจิตฟุ้งซ่านให้คอยรู้ทันนะมันจะสงบเร็วขึ้นธรรมสการ์ครับหลวงพ่อผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกแล้วก็เพิ่งได้ส่งกันบ้านเป็นครั้งแรกครับผมผมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าผม เพ่งมากไปหรือว่ า, าควรจะทำสมาธให้มากกว่า น, นี้หรือเปล่าครับเพ่ง <P en ch> หรือไม่เพ่งนะดูง่ายๆนะ <P en ch> ใจทื่อๆซึมๆมน ะ, ะเพ่งมากไป <P en ch> ใจแข็งๆเครียดๆนะเพ่งแรงไปมากไปนะสมถาธถ้าทำถูกก็ดีถ้าทำผิดก็ยิ่งเพ่งมากนะครับงั้นสมาธต้องทำแบบมีหลักเลือกอารมณ์ที่สบายใจนะแล้วก็ะระลึกมันไป แล้วจิตหนีไปจิตฟุ้งซ่านไปคอยรู้ทันจิตฟุ้งซ่านแล้วคอยรู้ทันมันจะค่อยสงบเข้ามาสบายสบายแต่ถ้าน้อมอยู่ๆทําสมาธิปุ๊บกอน้อมใจให้ซึมให้คลื่นๆไปโมหะมันแทรกไม่ดีแทรกไหมซึมไหมเวลาออกจากสมาธิครับผมรู้สึกพอออกแล้วก็ล้มหัวนอนได้เลยครับเออนั่นน่ะไม่ดีนะครับสมาธิไม่ใช่ยานอนหลับครับผมครับ คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมเคยคือเพิ่ม <c ười> เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนะจะทําสมาธิหายใ จ, จะอะไรนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวพุดโธด้วยความรู้สึกตัวนะทำด้วยความรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตจะได้ทรงตัวมีกําลังขึ้นมา <c ười> แต่ถ้าเราทําสมาธิเริ่มต้นด้วยการน้อมให้สงบเน้น้อมเงี้ óm, ยแปบ๊บเดียวเราก็โมหะแทรกไปไม่ดี <c> ười> ค ười ่ะครับคือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมนั่งรถแท็กซี่แล้วเกิดอยากรู้สึกตัวครับหลวงพ่อ เกิดนะเกิดอยากรู้สึกตัวครับผมแล้วพอพอจะไปรู้สึกตัวก็รู้สึกเกรงนั่นเรีจงใจนะความจริงแค่อยากรู้สึกตัวรู้ว่าอยากทันทีที่รู้สภาวะตรงตามความเป็นจริงนะจิตก็รู้ขึ้นมาแล้วแล้วผมก็เลยสังเกตต่อรู้สึกว่ามันทุกข์เหลือเกินนะผมเลยบอกคิดว่าวางดีกว่ามั้งแล้วก็แล้วพอวางปั๊บมันรู้สึกว่าจิตมันสันๆนะครับผมสันๆแล้วสักพักหนึ่งก็ มันก็มันมันรวมแล้วก็รู้สึกมีความสุขขึ้นมาแล้วก็เหมือนเหมือนอยากจะร้องไห้เลยสุขเลยนั่นมันมีปีติขึ้นมาตรงที่เราเห็นมันสายแล้วเรามีสติรู้ทันก็คือจิตมันไหลไปเรารู้ไหลเรารู้นะเนี่ยจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมามีสมาธิขึ้นมานะมีปีติเกิดได้ครั้งเดียวครับหลครั้งเดียวเพราะว่าอยากให้เกิดอีกใช่ไปัญหาเดียวกันทุกคนเลยครับเคยรู้เคยเห็นอะไรขึ้นสักทีนัอยากให้มีทุกวันมันเลยไม่มาอีก รู้ไปสบายๆเคล็ดลับอยู่ที่สบายนึกออกไหมครับไปนั่งดูสบายๆเห็นจิตมันสายรู้อย่างสบายๆจิตสงบเลยเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่สบายตรงนั้นคือนิพานที่สัมผัสแล้วหรือยังครับไม่ใช่ยังไม่ใช่ไม่ใช่นิพานนะแต่ว่าบางทีเขาก็อนุโลมให้มีกำลังใจก็เลยไปแต่งเรื่องนิโรดนิพานนิโรดมี5้าอัน อันนึงนิโรธเพราะมีสติอันหนึ่งนิโรธเพราะมีสมาธิอะไรเงอันหนึ่งนิโรธเพราะมรรคอีกอันหนึ่งเพราะผลอีกอันหนึ่งนิพพานอันนั้นเรามีสติมีสมาธิถามว่ามีนิโรธไหมก็มีนิโรธเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตัวนิพพานเขาคำถามสุดท้ายขอเรียนถามท่านว่ากรรมกรรมเก่าครับหลวงพ่อมันสามารถควบคุมการปฏิบัติของเราได้หรือเปล่าครับกรรมเก่าเนี่ยส่งผลให้เราต้อง มาได้ธาตุขันธ์แบบนี้ส่งผลให้เราต้องเจอกับสภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่มากระทบทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบนี้นะั้นกรรมเก่าทําหน้าที่แค่นั้นเองนะัเราก็มีหน้าที่ทํากรรมใหม่นะแต่จะควบคุมให้เราว่าวันนี้ปฏิบัติพรุ่งนี้ไม่ปฏิบัติไม่ได้ใช่ไหมครับมันมันเป็นอุปนิสัยของเรารรก็จะว่ากรรมเก่าก็ได้นะบางคนขี้เกียจมาทุกภพทุกชาตินะ มาถึงชาตินี้จะขยันปฏิบัติก็ไม่ขยันหรอกพระมันสะสมโงมาอย่างนั้น <Okay. S 1> แต่เราอย่าโทษกรรมเก่า <Okay. S 1> นะเช่นกรรมเก่าส่งผลให้ยากจนเนี่ยไม่จำเป็นต้องจนตลอดการ <Okay. S 1> เราทำกรรมใหม่ที่ดีพนะพุทธเจ้าสอนคาถาแก้จนไวนะ้รู้จักหาทรัพยนะ์อุตถานสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรออะไรเนี่ยนะงานสุจริตนั้นมีเกียรติพออย่ารังรอรีบทากินเร็วไวนะ okay. อารั ก, รกษาสัมปทารู้จักหายอย่างเดียวยังไม่ได้ต้องรู้จักรักษาไว้อย่าปล่อยให้ทรัพนันวอดวายการยานมิ ต, ตรตาการคบหากันนิมิตรสหายครบเพื่อนดีก็จะสบายคบเพื่อนร้ายจะวุ่นวายตรอมต ร, ม, ตรมนท่านสอนไ้หมดเลยน ะ, นะสมาชีวิตตาเลี้ยงชีวิตให้พอดีพอดีเนี่ยถ้าเราทำตามกรรมใหม่ในหลักอย่างนี้กรรมเก่าส่งผลให้จนทากรรมใหม่ที่ดีอย่างนี้ มันก็แก้จนได้เพราะฉะนั้นชาวพุทธจะไม่ยอมจำนวนกับกรรมเก่านะชาวพุทธยอมจำนวนกับกรรมเก่าไม่ได้ไม่ใช่ชาวพุทธครับผมกรรมนมัศาการหลวงพ่อครับอืเ ต, ต้นเต้นครับเตือนเต้นมากครับก็ผมก็ปฏิบัติการนั่งสมาธิมาเดือนครึ่งแล้วครับอันนี้เริ่มครั้งแรกเลยนะครับอก็เจอปิติหลายอย่างครับแล้วก็จะมีอยู่ครั้งหนึ่ง จะมีแสงลงมาที่กระหม่อมอะครับอืแล้วก็จะทําให้บังเกิดเห็นเป็นดวงแก้วหรืออะไรก็ไม่รู้ครับเป็นยุบยับยุบยับเลยจะเป็นลูกใหญ่มากอะครับอืแล้วก็นั่งไปสักพักหนึ่งอ่ะผมก็จะไปตกอยู่อีกห่วงหนึ่งก็คือนั่งอยู่เฉยเฉยเลยจะไม่เห็นไอ้ตัวนี้นะฮะจะนั่งอยู่เฉยครับอันนั้นหมายถึงอะไรครับไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะเห็นอะไรก็ได้นะเห็นแล้วก็รู้ทันจิตไป เช่นเห็นดวงแก้วเห็นแสงสว่างขึ้นมาจิตสงบรู้ว่าจิตสงบจิตยินดีพอใจรู้ว่ายินดีพอใจจิตเป็นกลางรู้ว่าเป็นกลางนิมิตใดๆเกิดขึ้นก็ตามนะไม่ห้ามมันหรอกแต่นิมิตใดๆเกิดขึ้นแล้วให้คอยรู้ทันจิตไว้นะนิมิตไม่ใช่สาระแก่นสารจิตเป็นสาระแก่นสารของการปฏิบัติแล้วดีแล้วจิตมันมีสมาธินะก็สัมผัสแสงได้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งฮะ คือตอนนี้ผมภาวนาพุโทโธไปลมหายใจก็จะสบายขึ้นอแต่แสงสว่างเนี่ยจะสว่างที่หน้าเต็มใบหน้าเลยคร่ะเออถูกต้องแล้วสว่างอย่างนั้นแหละเราอยากเข้าไปอยู่ในสว่างนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกถ้าเข้าไปอยู่ในสว่างนะ่ะต่อไปมันจะบังคับได้อะ่ะใช้ไปดูสวรรค์ก็ได้นรกก็ได้นะมันออกไปเที่ยวข้างนอกอะไม่ต้องตามมันไปนะ จิตที่มีสมาธิมันจะมาสว่างอยู่ข้างหน้าเคยมีพวกนักวิชาการพขาวิจัยนะเขาเอาพวกลาหมาที่เบสนะ์มาฉีดสารกำมะถันรังสีนิดหน่อยนะเขไปในเลือดแล้วให้นั่งสมาธิเขาพบ ว, ว่าพอจิตเป็นสมาธิเนี่ยเลือดจะมาเลี้ยงสมองส่วนหน้านี้มากพวกลาหมาจะรู้สึกว่าแสงสว่างเกิดขึ้นข้างหน้านะของเราก็เหมือนกันแหละเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมาทํางานด้สมองตรงนี้ สมองข้างหน้านี้งั้นจะดูสว่างแล้วเอาไปใช้อะไรก็ได้นะถ้าผมปฏิบัติไปเรื่อยๆจากก้าวหน้ากว่านี้ไหมครับก้าวแต่ไม่รู้ก้าวไปไหนได้สมาธิแล้วไม่ต้องมาเดินปัญญาต่อนะเอาแสงสว่างนั้นอย่าไปให้สว่างไร้สาระไปเที่ยวข้างนอกพาเข้ามาเที่ยวในร่างกายนี้เลยน้อมแสงสว่างเหมือนเอาไฟฉายฉายเข้ามาย้อนกลับเข้ามาดูข้างในร่างกายของเราไปเลย คนก้าอยู่ในกายเนี้จะเห็นเป็นถ้าเป็นโพรงนะมีหินงอกหินย้อยอยู่ข้างในนะมีกระดูกห้อยตองแต่งครับขอบพระคุณครับนมาสการหลวงพ่อครับคือเคยมาขอกับบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อให้ไปดูกายก็ไปดูกายเคลื่อนไหวแล้วก็เดินจงกรมอตอนนี้เพิ่งจะเริ่มรู้สึกว่าสึกอารมณ์โกรดหรือว่าลมความเคลื่อนไหวของจิตได้บ้างแล้ว มีความรู้สึกว่าจิตเป็นธรรมชาติที่หิวอารมณ์พยายามแสวงหาอารมณ์มาบริโภคตลอดถูกถูกใช่คือเจริยนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เริ่มดูดูจิตประกอบด้วยได้หรือว่าคุณกลับไปที่ดูกายคือที่ดูกายเนี่ยนะเพื่อให้มันย้อนมากลับเข้ามานะเสร็จแล้วมันจะมาเห็นจิตนั่นแหละดูกายก็เห็นจิตนะดูจิตเป็นก็เห็นกายสุดท้ายก็เห็นอะไรทั้งหมดไม่มีเราเลยนะเหมือนละครโรงใหญ่มีรูปประทับบ้างนามาทำบ้างแสดงกันใหญ่เลย ดีถูกแล้วละ่ะคือผมประเมินตนเองว่าบางครั้งเนี่ยจิตจะเริ่มตื่นได้บ้างบางครั้งขไ่ไม่ทราบประเมินถูกแล้วละ่นะนั่นเราคอยดูไปนะเราจะเห็นจิตชัดจเจนขึ้นแต่เราอย่าทิ้งกายนะใช้กายเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกนะจะเห็นจิตชัดขึ้นเลยได้มีจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับตอนนี้ดีอนะ่ะตอนนี้ระวังอันเดียวว่าจิตต้องเข้าฐานจริงๆรนะิจิตตอนนี้เข้าฐานไหย ไม่ครับเนี่ยดูตัวเนี้ยนะให้รู้ทันเขาเข้าของเขาเองถ้ารู้ทันถ้าเขาไม่ยอมเข้าดูกายต่อไปเขาจะเข้ามาอย่าจงใจดึงกลับเข้ามาถ้าจงใจดึงกลับเข้ามามันจะแน่นถ้าแน่นแน่นไม่ถูกละนะความคุณไปฝึกต่อนะคุณทำมาได้ดีแล้วล่ะขอบพระคุณครับหลวงปู่สุวรรนะัตเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านไปหาโลปูมั่นหลวงปู่มั่นท่านก็สอน บอกว่าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตดูกายไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามานะที่ให้ดูกายก็เพื่อจะให้เห็นจิตของคุณนึกออกไหมดูกายก็เพื่อจะเห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้เห็นให้เห็นแจ้งยิ่งขึ้นนะมีปัญญาเห็นแจ้งยิ่งขึ้นทุกอย่างมันเป็นไตรลักษณ์ไปหมดเลยนะทําอย่างนี้แหละดีถึงเวลาก็ทําความสงบให้จิตได้พักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงพอจิตพักผ่อนชุ่มชื่นแล้วนะ ออกมาดูกายดูจิตต่อไปอถูกต้องแล้วละ่ะแต่จิตต้องถึงฐานถ้าไม่ถึงฐานให้รู้ทันอย่าไปดึงถ้าดึงแล้วเครียด